เรื่องที่4หัวเสียหัวเสียเป็นอาการของจิตอย่างหนึ่งที่ทำลายความสงบใจทำให้การใช้ความคิดไม่ได้ผลและขาดความสุขอย่างน่าเสียดายถ้าท่านหัวเสียจะทำอย่างไรในวงการนักทำงานทั้งหลายเรามักจะได้ยินเสียงบ่นเสมอว่าหัวเสียหรือว่าหัวเสียทั้งวันเลยซึ่งเป็นที่รู้กันว่า ท่านผู้หัวเสียนั้นคิดอะไรไม่ออกทำอะไรไม่โปร่งใจเสียเลยคำว่าหัวเสียหัวเสียนั้นความจริงเราพูดยออ่อคือพูดอย่างคนหัวเสียนั่นเองคำเต็มน่าจะเป็นว่าหัวคิดเสียหรือหัวสมองที่จะใช้คิดมันเสียมันก็เลยคิดไม่ออกยิ่งขืนคิดมันก็ไม่ได้เรื่องวิธีแก้หัวเสียทําได้ง่าย ไม่ยากยินอะไรเลยก่อนอื่นได้โปรโดทราบว่าทำไมหัวคิดจึงเสียหัวคิดคนเราที่จะเสียนั้นเนื่องจากอารมณ์ที่เข้าไปสู่จิตมันประดังกันมากเกินไปนั่นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งอารมณ์ที่จะให้จิตคิดมันขาดจังหวะไปพูดอย่างนี้ก็ยังฟังยากอยู่ดูจะเป็นเรื่องที่ผมพูดเองฟังเองมากไปสักหน่อย จึงขอเปรียบเทียบดีกว่าขอท่านได้โปรโดนึกถึงรถยนต์ที่เราขับขี่โดยสารไปมาอยู่ทุกวันนี้รถยนต์ที่ติดเครื่องไม่ได้ทั้งๆที่มีน้ํามันก็มีและอะไรๆก็ดีอยู่หมดนั้นมันมีเหตุที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งคือน้ํามันท่วมน้ํามันท่วมคือน้ํามันมาแรงเกินไปรถก็ไม่ติดจิตของคนเราก็เหมือนกันถ้าอารมณ์ที่จะคิด มันเกิดประดังมาพร้อมๆกันมากไม่รู้จะคิดอะไรก่อนคิดอะไรหลังไอโ้นโนก็เร่งไอ้นี่ก็ด่วนจิตเลยคิดอะไรไม่ออกเหมือนรถน้ำมันท่วมนั่นเองอาการอย่างนี้มักจะเกิดแก่คนที่หลายเจ้าหลายนายแล้วก็นายแต่ละองค์ก็เกิดจะทำอะไรพร้อมๆกันเสียด้วยคนหนึ่งจะทำบุญวันเกิดอีกคนแต่งงานลูกสาว อีคนเผาศพแม่ยายตรงนี้แหละเราจะเกิดสภาวะอารมณ์ท่วมและหัวเสียถ้าลงได้หัวเสียแล้วเลยทำอะไรไม่เป็นเรื่องคือเสียทุกอย่างท่านที่ไม่คุ้นกับรถยนต์ไม่เคยรู้เรื่องน้ำมันท่วมจะนึกดูสภาพคนรับของก็ได้อย่างเช่นพ่อค้าขายแตงโมเวลาเขาขนแตงโมขึ้นจากเรืออีกคนหนึ่งยืนอยู่บนฝั่ง คนในเรือโยนแตงโมมาให้คนบนฝั่งรับทีละลูกทีละลูกเรียบร้อยทั้งลำเรือแต่ถ้าคนหลายคนเกิดโยนแตงโมมาให้คนคนเดียวรับดูบ้างคนรับก็จะพวงลูกนั้นลูกนี้ผลที่สุดรับไม่ได้สักลูกแตงโมตกแตกหมดจิตก็เหมือนคนรับแตงโมนั่นเองอารมณ์เหมือนลูกแตงโมถ้าอารมณ์ประดังมามาก ไอ้น่นก็จะคิดไอ้นี่ก็จะคิดผลที่สุดก็เลยคิดไม่ได้สักอย่างอาการอย่างนี้เราเรียกว่าหัวเสียครั้นเมื่อคิดอะไรไม่ได้หรือคิดได้แต่ไม่รอบข้อบพอตัวก็ทำอะไรขาดบ้างเกินบ้างตัวอย่างเคยมีเจ้าหน้าที่พิธีท่านหนึ่งเกิดหัวเสียเนื่องจากผู้ใหญ่สองคนจะทำบุญพร้อมกันตัวคนเดียวจะต้องปฏิบัติการให้ทั้งสองทาง นิมนพระให้เตรียมของถวายพระให้จัดรถรับให้อรัธนาศีลให้เมื่อทุกสิ่งตนจะต้องทำให้และงานแยกกันอยู่คนละแห่งจะแก้ไขปัญหาอย่างไรจะรัธนาศีลให้งานนี้แล้ววิ่งไปอรัธนาศีลให้งานโน้นแล้วก็วิ่งกลับมาอรัธนาสวดมนต์ให้งานนี้มันก็ทำไม่ได้คิดไปคิดมา ท่านเจ้าหน้าที่ผู้น่าสงสารก็เลยเกิดอาการหัวเสียอย่างหนักงานเล็กๆน้อยๆก็ผิดพลาดไปหมดปรากฏว่าที่บ้านหนึ่งมีพระมาสวดมนต์รูปอีกบ้านหนึ่งมีพระมาสียรูปเลยวุ่นวายกันใหญ่ของเกินคนขาดบ้างของขาดคนเกินบ้างนักเข้าเลยคิดอะไรไม่ออกปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ได้ทาหน้าที่อาราธนาให้ทั้งสองงาน หนีไปนั่งดูดโอเลี้ยงอยู่ที่ร้านกาแฟเหมือนคนไม่มีงานทำนี่แหละคนหัวเสียหลังจากนั้นผู้หัวเสียก็จะเสียใจกับความผิดพลาดของตนเองต่อไปจิตใจยิ่งเสียความสงบมากเข้าไปอีกอาการหัวเสียอย่างนี้มักจะเกิดแก่คนที่ต้องรับงานหลายด้านบ่อยๆที่ผมบอกว่าแก้ไม่ยากนั้นก็เพราะว่าการหัวเสียนั้นไม่ได้มีอะไรในตัวเราเสียหายไปเลย ใจก็ยังดีสมองก็ยังดีสติสตังก็ยังดีอยู่ทุกทางมันเสียเพราะพาวักพวงกับงานหลายหน้าเท่านั้นเองวิธีแก้ง่ายๆก็คือหยุดสักครู่หนึ่งไม่ทำอะไรทั้งนั้นหนีไปทำเสียอีกอย่างหนึ่งก็ได้แต่ที่ผมชอบทำคือนอนหลับพอถูกเร่งเอางานมากๆรู้ตัวว่าจะหัวเสียก็เลยนอนเสียเลยนอนให้หลับ พอตื่นขึ้นมามันหายุ่งเองคือความคิดของเราจะมีระเบียบรู้ว่าควรจะทำอะไรก่อนอะไรหลังเสร็จแล้วเราจะจัดลาดับงานไว้เป็นการป้องกันหัวเสียได้ดีโดยวิธีเดียวกันนี้เราอาจใช้วิธีเข้าสมาธิชั่วครู่ก็ได้สำหรับท่านที่เคยฝึกไว้ได้ผลดีเหมือนกันข้อสาคัญมันทาท่าจะยุ่งใจมากๆเราจิงหยุดเสียก่อน อย่าเพิ่งให้หัวเสียท่านผู้ใดสนใจวิธีหยุดใจชั่วระยะสั้นกรุณาอ่านดูในหนังสือชุดก้าวหน้าก้าวที่7พุทธศักราช 2,504 หรือจะอ่านที่พิมพ์รวมไว้ในหนังสือมุมสว่างบทประพันธ์ลำดับ23ของผมก็ได้หยุดเสียก่อนที่ท่านจะหัวเสีย